นั่นมูนี้มันต้องเลือกนี้นั่นแหละคันท่าหากว่าเราตั้งกิจให้เป็นกลางอยู่แล้วไม่ให้มันเอียงไปในเรื่องต่างดังกล่าวมานี่ไดมันก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกอารมณ์ต่างๆได้นั่นบางทีมันก็เอียงไปในความกลัว มีอยู่ทุกคนเลของกลัวบางคนเน่ยไม่ชอบดื่มเหล้าแต่เมื่อไปสู่สังคมที่เขาดื่มเหล้ากันอาคนที่ดื่มเหล้าเป็นเพื่อนที่ดีกันหรือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าเป็นนายผู้บังคับบัญชาของชนอย่างนี้ถ้าเขาเชิญดื่มเหล้าด้วยกัน ไม่ดื่มก็กลัวกลัวพรรคพวกหรือว่าพวกข้าบัญชาจะรังเกียจเอา้าก็เลยจำใจดื่มเข้าไปนี่คหเาเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวมันเป็นเหตุให้ทำบาปเพราะความกลัวก็มีอย่างนี้แหละทำอะไรถ้าเป็นไปในทางผิด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 เราต้องเชื่อมั่นในความดีที่ตนทามาจริงๆไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัวดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อเรายืนหยัดอยู่ในธรรมอันถูกต้องแล้วอย่างนี้ชีวิตนี่มันจะเป็นทุกข์ไปก็ให้มันเป็นร้องรู้มันจะเสื่อมลงไปก็ให้มันเสื่อมลองรู้เราไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่เราถือธรรมเหล่านี้เป็นใหญ่ แต่น้อยคนนักที่จะถือธรรมนี่เป็นใหญ่นะเท่าที่สังเกตมาแล้วนะเมื่อจะถือบุคคลนั่นแหละเป็นใหญ่เลยเว้นเสียแต่ผู้ที่พิจารณาเห็นธรรมะคารรสองที่เจ้าอย่างจริงจังแท้ๆแล้วอย่างนี้จึงจำมั่นอยู่ในธรรมเหล่านั้นได้ดังนั้นการอบรมการฝึกน้นอบรมตน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 ไม่น้อมใจไปในความหลงความเมามีสติสมถะเญญะยรู้ทัวอยู่เสมอไม่น้อมใจไปในทางแห่งความกลัวกลัวไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าสอนให้กลัวบาปให้กลัวต่อผลของบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความกลัวอย่างนี้นะถูกต้อง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 ก็เมื่อบุคคลลืมกายอันนี้เสียไม่มากําหนดรู้กายอันนี้อยู่เสมอแล้วอย่างว่านั้นเนี่ยมันก็จิตใจมันก็เอียงไปทั่วอืแต่ถ้าหาว่ามีสติไปในกายนี้อยู่เสมอเสมอเรื่องอะไรใครพูดอะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่ มาเราก็กําหนดอยู่ในกายนี่พิจารณาอยู่ในใจนี่ให้รู้ให้เห็นเรื่องภายนอกน่ะพิศรู้ถูกดีหรือชั่วอะไรพวกนี้เรากาหนดอยู่ในใจนี่เราก็รู้ได้เลยนั่นนี่ไม่จาเป็นต้องไปดูแต่คนอื่นนู่นอย่างเดียวถ้าไปดูแต่คนอื่นแล้วไม่ได้เรื่อง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 ต้องเป็นผู้มาควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปยึดเรื่องภายนอกนั่นมาเป็นอารมณ์เรื่องทั้งหมดสลละทิ้งให้หมดไปเลยนันให้มันเหลืออยู่แต่ปัจจุบันเท่านี้เมื่อมาเพ่งปัจจุบันนี้อยู่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 ทันทีเมื่อเราพิจารณาตามคำสอนของอุทยเจ้าแล้วก็จะต้องลงความเห็นอว่าไม่เป็นไปเพียงแค่สวดอ้อนวอนเท่านั้นนนัไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นเรื่องกำจัดกิเลสปาปธรรมออกจากดวงกิจได้ต่อเมื่อเรามาทำใจให้สงบลงไปแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น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 เรื่องอย่างนี้ทุกคนย่อมมีสิทธิ์เสรีภาพในการที่จะกำหนดวิถีชีวิตของตนเองตนเองจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะมีความสุขผู้ใดเห็นอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเลยแต่ชาวพุทธจริงๆแล้วเราต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเครื่องดำเนิน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 เมานี่หลงเมาไปในเรื่องอดีตอนาคตว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างโน้นอย่างนี้นี่นั่นแหะเรียกว่าหลงว่าเมาเมื่อละเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาซิมากำหนดรู้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นั่นจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้สิมันไม่หลงไม่เมาไปนี่ น, นั่นแหละเมื่อจิตไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัว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 ทางมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั่นนะอันนี้เรียกว่าพูดสั้นๆเรามีอุบายอะไรที่มาทําจิตให้เป็นกลางลงไปได้นะมันก็ตรงตาม อ, อมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละอเช่น <c oughs> อย่างว่าเรื่องศีลอย่างนี้นะ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 เราถือเอาสมาธินี้เป็นศูนย์กลางเลยวันนี้นะอืมเป็นหลักเลยนั่นวันนี้ก็ต่อจากนั้นก็จเจริญปัญญาฟอกจิตนี่วันนี้นะใช้ปัญญานะีนะ่สอนจิตนี่บ่อยๆเข้าไปจะไปคอยเจ้าผู้อื่นสอนอย่างเดียวไม่พอตนเองไม่สอนตนเองเข้าไปอย่างนี้มัน ไม่สามารถที่จะละกิเลสปาประธรรมต่งตางๆได้หรอกไม่สามารถจะชำระสิ่งมัวหมองหุ้มห่ออยู่จิตใจนี้ได้เรงนั้นเมื่อได้ฟังผู้อื่นท่านสอนมาแล้วแล้วก็จำอุบัยอันนั้นมาสอนจิตตัวเองอีกทีหนึ่งจิตมันคล่องอยู่ในเรื่องอันใดก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตให้มันละอุบาย ละอารมณ์ น, นั้นอย่าให้จิตมันคล้องอยู่ในอารมณ์อ น, นั้นแล้วจิตมันก็จะรวมลงเป็นกลางนี่นี่แหละอาศัยปัญญานั้นสำหรับฟอ ก, กจิตให้ขาวสะอาดไปเลยๆนอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาฟอ ก, กจิตนี่นะให้ขาวสะอาดได้ไม่มีมีแต่ปัญญานี่นะ ดังนั้นทุกคนอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะเราขาดปัญญานี่เองเนี่ยจึงพ้นทุกไปไม่ได้ต้องเตือนตอนอย่างนี้เสมอเราจะไปคอยผู้อื่นช่วยให้เราพ้นทุกนั้นไม่มีทางหรอกไม่ควรเห็นไปอย่างนั้นต้องคิดช่วยตัวเองนะทุกคนนะแต่ว่าต้องได้รับ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 จิตนี่มันต้องอาศัยอุบายมันจึงละอะไรเกาต่ออะไรได้ถ้าไม่มีอุบายแล้วมันละไม่ได้เลยถ้าไ ม, ไม่จำเป็นต้องใช้อุบายแล้วทุกคนมันจะต้องละกิเลสนี้ได้หมดแล้วแหละเราข่มใจละเอาดือด้อๆ้นี่มันก็หมดไปหมดไปเลยอย่างนี้มันก็หมดกิเลสกันไปแล้วแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี้นะ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 มาเพ่งจิตได้ให้มันตั้งมั่นลงไปเสียก่อนจึงค่อยพิจารณาต่อไปนี่หลักนี่นะพึ่งจำกันไว้ให้ดีเมื่อเราจำไว้ให้ดีได้อย่างนี้มันจะไม่ผิดทางเลยก็สามารถที่จะทำประคองจิตนี้ให้เป็นกลางให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพาการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าบวมเมาประมาทแล้วก็พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้